อนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ344 1. ภิกษุพูผู้กล่าวว่าอาจารย์ของพวกเราเรียนกันมาสอบถามกันมาอย่างนี้ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภพิกษุต้นบัญญัติอนาธยาสิกขาบทที่4จบ